มีสติเฉพาะหน้าแล้วก็เห็นกายอันหนึ่งเห็นใจอันหนึ่งเห็นอารมณ์ในใจเห็นความคิดมันปรุงแต่งมันก็ไม่ได้ฝึกอะไรที่มันมากมายไปกว่านี้หรอกอันนี้ก็เป็นพื้นฐานที่มันต้องทำให้ได้นะ มีสติเฉพาะหน้าอยู่กับลมหายใจอยู่กับคําบริกรรมพุทโธแล้วก็เห็นกายอันหนึ่งที่ไม่ใช่เราเห็นกายอันหนึ่งใจอันหนึ่งพอเห็นใจมันก็เห็นอารมณ์ในใจไปด้วยพอเห็นอารมณ์ในใจมันก็เข้าใจจิตใจตัวเองดีขึ้น เข้าใจว่ากระแสของใจเป็นยังไงอารมณ์ในจิตของเราเป็นยังไงใจของเรามันผูกติดผูกยึดเก็บกักเรื่องอะไรเอาไว้แต่ถ้าเราไม่หมั่นสังเกตใจมีสติอยู่ก็จริงแต่เรามีสติอยู่กับพุทโธอยู่บ้าง แต่ไม่เห็นว่าใจของเราเนี่ยมันอยู่ที่ไหนความใส่ใจความตั้งใจของเราอยู่ที่ไหนมันก็ทำงานสักแต่ว่าทำไปทำงานแบบไม่มีคุณภาพแต่คนที่ทำงานมีคุณภาพคือเขาก็ละเอียดละออนในการงานเราพยายามที่จะมีสติอยู่กับ ลมหายใจกับกรรบริกรรมพุโทโธที่อยู่เฉพาะหน้านี่เราก็ต้องพยายามละเอียดประนี่กับมันละเอียดประนีในที่นี้หมายถึงความตั้งใจความใส่ใจของเราก็ย้อนนกลับมาไว้ที่ลมหายใจย้อนกลับมาที่พุโทโธนี่แหละ พอเราทำได้แบบมีคุณภาพอยู่บ่อยๆอยู่เรื่อยๆมันก็จะเข้าใจที่ว่าใจของเรามันขโมยหนีไปจากการงานในขณะที่เรากำลังบริการพุทโธอยู่นี่แหละใจของเรามันก็แอบขโมยหนีไปไปอยู่กับเรื่องที่เรายังคล้องอยู่ใจของเรามันยังคล้องอยู่ ในระหว่างวันแอบหนีไปคิดแอบหนีไปติดตรึกเหล่านี้พอเราเห็นแล้วเราก็ดึงกลับมาดึงไอ้ตัวที่หนีนั่นแหละกลับมาไว้ที่ลมหายใจการงานของเรามันจะได้เป็นการงานที่มีคุณภาพไม่ได้ขึ้นชื่อแต่ว่าได้ทำแล้ว จะทำยังไงทำมันดีขนาดไหนเราก็ไม่รู้รู้แต่ว่าได้ทำรู้แต่ว่าได้ทำแล้วเนี่ยมันก็ยังดีกว่าไม่ทำแต่ไหนๆเราจะลงทุนลงแรงแล้วเนี่ยเราก็ต้องพยายามทำให้มันดีไง ใส่ใจกับมันตั้งใจกับมันทำให้ดีทำให้ดีเราจะได้มีพัฒนาการกับมันด้วยเห็นถึงความละเอียดของจิตของเราว่ามันเป็นยังไงจากตัวใหญ่ๆที่เราเคยสู้กับมันบังคับบัญชามันได้แต่อตัวละเอียดตัวเล็กตัวน้อยมันยังหนีไปอยู่ เราก็ละเอียดละออ ก, กับไอ้พวกตัวเล็กๆน้อยๆมากขึ้นน่แหละกระแสของใจของเราที่มันยังแอบไปติดตรึกเรื่องอันไหนขโมยหนีไปยังไงเราก็เท่าทันแล้วเราก็ดึงกลับมาเราก็จะได้ได้เห็นแล้วว่าใจที่มันมีอารมณ์ข้างค้างอยู่ในใจเนี่ยมันก็เป็นชนวนเป็นเหตุ ให้ความอยากมันทํางานได้ดีมันก็ทําให้เราเนี่ยเผลอเผลอไปไงเผลอไปด้วยอํานาจความอยากนี่แหละเพราะว่ามันยังติดใจอยู่ในอารมณ์เก่าๆอยู่พอมันติดใจในอารมณ์ไหนมันก็พยายามจะไปติตรึกคิดเพราะฉะนั้นเวลาที่เราสังเกตจนชนํชนานิชํานาญแล้ว ก็อยากจะเน้นย้ำว่าเราก็จะมีสติที่เห็นกายเห็นใจเห็นความคิดแล้วก็เห็นอารมณ์ในใจของเราด้วยทมไมถึงคอยแต่จะวนมาย้ำเรื่องนี้ก็เพราะว่ามันก็ถ้าเปรียบเป็นการค้าเนะี่ยเปรียบเปรียบเป็นพ่อค้าแม่ค้าอย่างเงี้ยในว ระหว่างวันทําการค้าขายไปแล้วเนี่ยเขาก็ต้องสรุปยอดใช่ไหมสรุปยอดว่าเออวันนี้เราได้เท่าไหร่เราใช้ใจ่ายอะไรไปบ้างค่าใช้ใจ่ายเป็นแบบนี้รายรับมีเท่านี้แล้วเหลือเป็นกําไรเท่าไหร่หรือว่าขาดทุนไปเท่าไหร่ การที่เราได้มาทำความสงบก่อนที่เราจะเข้านอนแบบนี้เนี่ยมันก็เหมือนพาะค้าแม่ค้าในแหละเราก็จะได้อยู่กับใจของเราด้วยอันหนึง่งเราก็จะเป็นการสรุปทบทวนว่าระหว่างวันเนี่ยของเราเป็นยังไงแต่แน่นอนแหะในทางโลกเนี่ยเวลาที่เขามาสรุป ว่าวันนี้เขาได้ทำอะไรไปบ้างมีข้อที่ต้องปรับปรุงอะไรและมีข้อที่เราทำอะไรได้ดีแล้วก็วางแผนว่าพรุ่งนี้เราจะต้องทำอะไรแต่อย่าลืมว่าทําแบบนี้มันก็ถูกแต่มันก็ไม่ถูกทั้งหมดนะหมายถึงว่าในระหว่างวัน เราทําอะไรไว้ตอนเย็นเรามาสรุปอันนี้มันเป็นการงานภายนอกที่เราควรจะต้องทําแต่ตอนนี้มันเป็นเวลาของการหลีกเร้นเป็นเวลาของการที่เราจะต้องมาให้อาหารใจทําความสงบให้แก่ใจเพราะฉะนั้นมันจะต้องมาทบทวนเกี่ยวกับงานภายในไม่ใช่งานภายนอกเราก็ต้อง ดึงใจของเรากลับมากลับมาไว้ที่ลมหายใจกลับมาไว้ที่คำบริกรรมพุโทโธมีสติอยู่ตรงนี้แหละเราก็จะได้เข้าไปสู่ตรงจุดที่เห็นกายอันหนึ่งเห็นใจอันหนึ่งเห็นอารมณ์ในใจอันหนึ่งซึ่งตัวอารมณ์ตัวนี้แหละมันก็เป็นตัวบอกตัวบอกอะไรเป็นตัวบอก กำไรสุดที่หรือว่าขาดทุนสุดที่ของเรานี่แหละว่าวันนี้เนี่ยเรากำไรเท่าไหร่หรือว่าเราขาดทุนไปเท่าไหร่ถ้ากำไรก็หมายถึงว่าใจของเราเนี่ยมันก็เป็นกุศลมากหรือดํารงอยู่ในความสงบได้ดีมีความคิดที่เราหลีกไกลออกจากกามเหล่านี้ถ้าเราขาดทุนละ่ะ ขาดทุนก็คือเราหลับตาลงไปแล้วพยายามดึงใจกลับมาอยู่กับพุทโธแต่ใจของเราเนี่ยมันก็เห็นแหละว่าอารมณ์ในใจของเราเนี่ยมันก็ยังคล้องแวะคล้องเกี่ยวอยู่ด้วยเรื่องราวต่างๆของในระหว่างวันที่มันผ่านมาแล้วมันก็จะไปย า, ยามดึงใจของเราให้มันไปคิดติตรึกในสิ่งเหล่านั้นที่ มันยังติดอยู่มันยังคล่องอยู่แล้วเราก็ย้อนกลับมาไว้ที่ลมหายใจได้ยากย้อนกลับมาทำความสงบคือให้อาหารใจได้ยากอย่างนี้ก็ขึ้นชื่อว่าเรายังถ้าค้าขายก็ยังค้าขายแบบไม่ค่อยดีอาจจะเรียกได้ว่าขาดทุนก็เป็นได้ แต่ถึงจะค้าขายขาดทุนก็อยากให้มันขาดทุนมากถ้าไม่ขาดทุนได้ก็ยิ่งดีถ้าได้กําไรก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เพราะงัการที่เรากลับมาทบทวนแล้วเราก็เห็นจิตใจของเราเราก็จะได้ย้อนกลับไปดูเนี่ยว่าเราได้ทําเหตุอะไรไว้ในระหว่างวัน เหตุที่ดีเราทำอะไรไว้บ้างเหตุที่ไม่ดีเราได้ทำอะไรไว้บ้างเพื่อที่พรุ่งนี้เนี่ยเราจะได้ปรับปรุงมันได้พรุ่งนี้เราจะได้ทำให้ถ้ามันขาดทุนก็ให้มันขาดทุนลดลงทำกำไรให้มันเพิ่มขึ้นได้หรือพยายามสร้างรายได้ให้มันเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ต้องพยายามนะทำให้มันไปคู่กันคนเรานี่อยู่บนโลกใบนี้เนี่ยเราจะเอาแต่วิมุตตอย่างเดียวมันก็ไปยากเราอยู่บนโลกสมมุติเราก็ต้องรู้จักที่จะใช้สมมติพอเราใช้สมมุติเป็นเนี่ยมันก็ทำให้เราได้พัฒนาเส้นทางวิมุตตไปด้วยเส้นทางที่จะก้าวไปสู่วิมุต ความหลุดพ้นก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางที่เรียกว่าที่สุดแห่งกองทุกข์อันนี้มันก็ไม่มีใครจะสรุปได้ดีไปกว่าตัวเราเองเราหลับตาลงแล้วเราเห็นว่าอะไรเนี่ยที่มันยังค้ง่งค้างอยู่ในใจของเราก็ไม่มีใครรู้กับเราน่แหละมีแต่เราเอง แต่แน่นอนแหละถึงมันจะตกค้างมาในสิ่งที่มันเป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินยินดีในกามทั้งหลายหรือเป็นไปเพื่อมีโทสะโลภะอะไรเหล่านี้เป็นต้นก็อย่าไปใส่ใจมันในเมื่อมันเสียแล้วเสียไปเราก็ไปย า, ยามดึงใจของเราเนี่ยกลับมาไว้อยู่กับพุทธโธระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้า รึกนึกถึงคุณงามความดีของพระองค์ว่าพระองค์ทําอะไรไว้บ้างพระองค์ก็ได้บุกเบิกเส้นทางอันนี้เอาไว้ให้เราซึ่งการบุกเบิกของท่านเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นการบุกเบิกแบบง่ายๆนะกว่าจะได้ธรรมะกว่าจะได้บุกเบิกเส้นทางอันนี้มาให้ให้เราได้เดินตามเนี่ย ก็แทบลม้มแทบยืนไม่ไหวนะเกือบจะตายเอาด้วยเพราะฉะนั้นคนเดินตามมันสบายกว่ามากบนเส้นทางที่มันสบายแล้วเนี่ยเราก็ตั้งหน้า ต, ตั้งตาเดินให้ดีอย่าเดินออกนอกทางเดินออกนอกทางแล้วก็รีบดึงกลับมาไว้ในทางให้ได้บ่อย เวลาเรานึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็จะนึกถึงคำสอนนึกถึงวิถีทางเดินที่ท่านพาเราดำเนินเนี่ยนึกถึงเราอริยาสาวกทั้งหลายที่ท่านเดินตามเส้นทางอันนี้เดินไปแล้วถึงจุดหมายแล้วเราก็จะมีกําลังใจขึ้นมีกาลังใจที่เราจะได้เดินตามไปนั่นแหละ ไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าไปได้พระองค์เดียวก็มีเหล่าสาวกทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายก็ไปได้หมดไปตามไปไปสู่ที่สุดแห่งทุกเป็นเป้าหมายที่พระพุทธเจ้าวางเอาไว้ให้ให้เราได้ถีบตัวออกจากวัตตะอันนี้ออกมาให้เราได้ตัดวัตฏาวนอันนี้ไปไม่ต้องกลับมาเวียนวนเวียน เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่การที่เราอยู่ในระหว่างวันแน่นอนแหละไอ้เรื่องเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้ถูกป้อนให้กับจิตใจบ่อยๆหรอกแต่สิ่งที่มันจะถูกป้อนให้กับจิตใจของเราคืออะไรก็คือความให้มันหลงเพลิดเพลินไปในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส ให้ไปเห็นว่าสิ่งที่มันไม่มีสาระแก่นสารก็เป็นสาระแก่นสารอย่างจริงจังพอมันเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็จะเหมือนโดนดึงออกให้หลุดออกจากทางอยู่ตลอดอยู่บ่อยๆอยู่เนืองเนืองซึ่งเราก็มีหน้าที่ที่จะดึงตัวเองกลับเข้ามาในทางนี่แหละจะรอให้ใครมาดึงกลับเข้าไปในทางเนี่ย มันก็อาจจะไม่ทันการก็มีบ้างที่อยากจะเจอครูบาอาจารย์ที่ได้ดึงให้เรากลับเข้ามาอยู่ในทางแต่สุดท้ายใครมันจะทำได้ดีเท่ากับตัวเองที่จะคอยดึงตัวเองเพราะฉะนั้นไอ้ที่เรียกว่าอัตตาหิอ ah ัตโนนะโถเนี่ยมันก็มันใช่แหละ เราก็ต้องพัฒนาตัวเราเนี่ยจากที่ไม่มีที่พึ่งก็มีที่พึ่งคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราก็พยายามพึ่งพระพุทธเจ้าพึ่งพระธรรมพึ่งพระสงฆ์นี่แหละไปเรื่อยๆก็พึ่งครูปลาอาจารย์คอยบอกสอนในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังไม่เคยรู้ก็คือเราก็จะได้ยินได้ฟังได้รู้ แล้วก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะมีความสามารถที่มันมากขึ้นนั่นแหละความสามารถที่จะดึ ง, งเราให้อยู่ในทางที่เรียกว่าอริยมรรคอันนี้ได้แล้วเราก็มีความสามารถที่มันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนสุดท้ายไม่ต้องมีใครคอยประครับประคองเราเราก็เป็นกัลยาณมิตร สูงสุดให้กับตัวเองได้ให้เราดูแลตัวเองได้พึ่งตัวเองได้ก็พึ่งตนแล้วก็พึ่งธรรมเพราะงการที่เรามาสรุปทบทวนว่าในระหว่างวันของเราเนี่ยมันเป็นยังไงอันนี้ก็จึงเป็นเรื่องที่สาคัญแล้วก็อย่าลืมที่จะบอกตัวเองว่า สุดท้ายแล้วเนี่ยเราอยู่บนโลกสมมุติใบนี้นะเราอยู่บนโลกสมมุตินะมันไม่ใช่โลกแห่งความเป็นจริงนะสุดท้ายเวลาที่เราตายไปเนี่ยไอสิ่งที่เราว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยมันหายไปหมดมันไรสาระไปหมดก็ต้องคอยเตือนไม่ใช่เตือนเฉพาะ ตอนก่อนจะเข้านอนแบบนี้แหละแต่ก่อนเข้านอนเนี่ยเตือนี่มันได้บ่อยๆเตือนี่ไม่ได้ตุกครั้งแล้วก็พยายามแทรกมันในระหว่างวันด้วยว่าเอ้ยอันนี้มันโลกสมมุตินะมันไม่มีสาระเก่นสารอย่างที่ใจเรากำลังสำคัญผิดอยู่นะพยายามที่เราจะฉีกสมมุติบ้าง พยายามที่จะฉีกให้เราแวออาหากวกสมมุติออกมาได้เราจะบอกว่าฉีกสมมุติออกมาได้อยู่ในตอนนี้ถามว่าดีไหมดีแต่ถ้าเราฉีกไม่ได้ทั้งวันมันก็เป็นเรื่องที่ยังไม่ดีจริงไงใครจะไปรู้ว่าเราจะพลิ้งพล้ำตอนไหนในระหว่างวันน่ะ การที an u, y, gucken, ain, Somehow, right. <te e ่เราฝึกฝึกแล้วก็ฝึกฝึกเนี่ยเราก็ไปใช้ตอนไหนเราก็ไปใช้ตอนที่ไอ้จุดที่มันจะเพลียงพล้ํานั่นแหละเวลาที่มันจะเอาเราถึงตายอ่ะกิเลสอ่ะมันจะเอาเราถึงตายถึงใต้หรือใต้จัตธรรมันก็มีจุดเนี่มีจุดข้อสอบมีจุดทดสอบทุกคนนั่นแหละ ขึ้นอยู่ที่ว่าเราประมวลสิ่งที่เราเคยรู้สิ่งที่เราเคยได้เห็นได้สัมผัสได้ยินได้ฟังกําลังที่เราเคยได้สั่งสมเอาไว้เอามาผ่านจุดนั้นไปได้ไหมถ้าผ่านไม่ได้นะี่มันก็ตายจากทำไปตายจากทำคืออะไรก็คือตายจากทำอย่างแน่นอนก็คือเราทําอนันติยกรรม พอาทำไปแล้วเนี่ยเรียบร้อยเลยมีนรกเป็นที่หมายข้างหน้าไว้ก่อนรอไว้ก่อนจะทำความดีอะไรมามากมายขนาดไหนก็ถือว่าไปต่อคิวไปต่อคิวข้างหลังเพราะนั้นอย่าให้มันไปถึงจุดที่เราเพลียงพล้าต่อข้อสอบเพลียงพล้าน้อยๆไม่มาก ก็คือศีลเราเนี่ยยังไม่เสียไปแต่ถ้าเพลียงพลั้มมากขึ้นมากขึ้นศีลเราก็จะเสียไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยศีลนี่มันเสียไปเรื่อยเื่เนี่ยมันก็พัฒนาไปเรื่อยจนทาให้เรามีความเห็นผิดที่มันมากขึ้นใช่ไหมมีความยึดติดยึดมั่นไปมากขึ้นแล้วพอคนได้ลองทําไปแล้วเนี่ยมันก็มีความชินอ คนเราทำความดีซะจนชินมันก็ทำบาปยากแต่ถ้าเราทำบาปซะจนชินเนี่ยมันก็ทำบุญยากเหมือนกันเราจึงจําเป็นจะต้องพยายามบอกสอนมันบ่อยๆพยายามที่จะปกป้องป้องกันเลี้ยงดูจิตใจอันนี้อั น, นมีค่าอันนี้ให้ดีตอนนี้เราก็เปรียบเหมือนกับ คนที่ไม่ใช่ไม่มีต้นทุนอะไรมันก็เปรียบเหมือนกับเราได้มีธุรกิจของเราเราได้ได้ตั้งต้นมาแล้วเนี่ยก็ร่างสร้างตัวมาแล้วมีกาไรอยู่บ้างมีทุนรอนที่เราจะพัฒนาธุรกิจต่อไปธรรมะที่เราได้ฝึกฝนได้ปฏิบัติได้สั่งสมอ่ะ มันก็เป็นทุนอรอนของเราเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามพยายามรักษาธุรกิจทรอรันนี้ให้มันมั่นคงพัฒนาให้มันไปมีความเจริญก้าวหน้ามีความเติบโตต่อไปเรื่อยๆคนค้าขายเขาก็ต้องมีลูกหลอลูกชนใช่ไหม รู้จักที่จะเข้าใจในธุรกิจของตัวเองว่าแง่มุมการแข่งขันเป็นยังไงอุปสรรคในการทำธุรกิจคืออะไรแล้วก็เทคนิคในงานของตัวเองเป็นยังไงมันก็ไม่ต่างจากคนปฏิบัติธรรมหรอกเราอยู่ในวงการการปฏิบัติธรรมมันก็ต้องรู้นะ ต้องรู้ว่าเราจะรักษาตัวของเรายังไงเราจะพยายามปกป้องรักษาใจของเราเราจะต้องทำอะไรบ้างแน่นอนหละเบื้องต้นก็ต้องมีสีที่มันบริบูรณ์ให้ได้อยู่ในกรอบของสีนี้มันดีมันก็เป็นเบื้องต้นที่เราจะรักษาตัวเราได้ไม่เพลียงพล้า แต่การที่เรามีศีลที่ดีเนี่ยก็อย่าเพิ่งประมาทเพราะว่ามันไม่ใช่ที่สุดไม่ใช่ที่สุดของการงานอันนี้เราก็ต้องพัฒนาพัฒนาั่นแหละพัฒนาไปให้มันลงไปลึกลงไปถึงจิตใจทาให้ทุกข์ที่เรามีเกี่ยวกับจิตใจมันได้ดดนบั่นทอนลงไปความสุขในภายในที่เราไม่ต้องไปพึ่งความสุขทางการ พัฒนาให้มันดีขึ้นมีความคิดมีความเห็นที่ไม่หลงไปตามสมมุติมีความคิดความเห็นที่เราจะหลีกออกจากฉีกออกจากสมมุติก็ต้องพัฒนาไปแบบนี้แหละแต่ก็ไม่ได้พัฒนาที่ไหน จะพัฒนาที่สติกับพุโทโธเรานี่แหละสติกับลมหายใจของเรานี่แหละแต่เราจะพัฒนาได้ดีมีสติอยู่กับพุโทโธแล้วก็ต้องมีสติเห็นใจด้วยเห็นอารมณ์ในใจด้วยว่าสิ่งที่เรากําลังดําเนินอยู่ในระหว่างวันมันเป็นไปเพื่อความหน่ายคลายกาหนัดเป็นไปเพื่อความไม่ยึดมั่นถือมั่นไหม หรือว่าในระหว่างวันเนี่ยสัดส่วนของการที่เราปล่อยใจให้มันไปเพลิดในกามมีความกำหนัดยินดีมากขึ้นมีความเห็นที่เห็นว่านั่นเป็นสัตวบุคคลเราเขามากขึ้นมีความเพลินไปนในกามทั้งหลายมากขึ้นมีความยึดมั่นถือมั่นที่มันมากขึ้นถ้ามันเป็นอย่างนี้ต้องต้องรีบแหละ ไม่ใช่รีบแต่เข้าสมาธินะก็ต้องรีบที่จะคอยแก้ไขอ่ะแก้ไขเหตุในในระหว่างวันของเราอ่ะก็คือกิจวัตรของเราดีตัวกิจวัตรประจาวันของเรามันก็จะเป็นตัวทางเข้าอ่ะเป็นทางเข้าเป็นทางเข้ามาของอารมณ์ข้างนอก ซึ่งถ้ากิจวัตรของเรามันดียกตัวอย่างเอาให้มันเห็นชัดก็คือการที่เราไปหลีกเล่นอยู่ในคอร์สปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยกิจวัตรมันดีเพราะฉะนั้นขาเ ข, ข้าของเราก็มีแต่ขาเ ข, ข้าที่มันดีๆแต่แน่นอนในระหว่างการใช้ชีวิตประจำวันแบบนี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำให้มันเงื่อนไขได้ดีเหมือนกับการที่เราไป ลีกเล้นอยู่ในคอสปฏิบัติธรรมได้แต่เราจะยอมอยู่แค่นี้หรอไม่ได้เราต้องดิ้นนี้มันสุดแรงเหมือนกันต้องดิ้นกันไปตรงไหนที่เราพอปรับได้ก็ปรับตรงไหนที่เรายังรู้ว่ามันปรับไม่ได้ก็อดทนมีสติให้มันเข้มข้นไม่ปล่อยใจให้มันเผลอเพลินไป แต่กิจวัตรกิจกรรมตอนไหนเวลาไหนที่มันพอปรับได้ปรับที่จะทำให้เราเนี่ยมีใจที่จะหลีกออกจากกามมีใจที่จะเห็นตามความจริงไม่หลงไปตามสมมุติถ้าเราทาได้ก็ปรับให้มันดีปรับให้มันเข้าทางเข้าทางของอะไรอไรอยิยมรตมีองค์8นี่แหละมันก็ต้องเป็นผู้ฉลาดใช่ไหม อุชลาในการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นไอ้คุณธรรมคุณสมบัติที่เรียกว่าโล ก, กบวิทูเนะี่ยมันจะได้เกิดขึ้นกับเราผู้รู้แจ้งไม่ต้องไปรู้แจ้งโลกเท่ากับพระพุทธเจ้าก็ได้แต่ให้รู้แจ้งโลกของเราเนี่ยแหละโลก ร, บรอบๆตัวเราเนี่ยแหละ เราจะได้บริหารจัดการมันได้รู้ว่าอันไหนเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เราก็พยายามที่จะละเหตุของความทุกข์ลงพยายามป้องกันไม่ให้เหตุของความทุกข์มันเกิดขึ้นแล้วก็พยายามเจริญเหตุ ด, ดีให้มากๆพยายามเจริญเหตุความดีให้ได้บ่อยๆ